หลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆอย่างที่ไม่เคยมาอย่างวัดสันติธรรมแห่งนี้หล ะ, ะหรือคณะสัตยาติโยมได้ขอสมาทานหรือจะสมาทานสินอย่างวันนี้แหะหลวงพ่อจะได้อธิบายหรือว่าทำความเข้าใจกับคณะสัตยาติโยมผู้ที่ขอสมท า, านศินเพราะว่าหลวงพ่อเองไปณสถานที่ต่างๆ พอสัทธาญาติโยงกล่าวอารัธนาสินพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงฆ์หรืออย่างขึ้นธรร ม, มาจจะเทศอย่างหลวงพ่อขนาดนี้ละท่านก็จับตรบัดเข้ามาแล้วท่านก็ให้สินไปเลยแต่หลวงพ่อได้นำมาคิดนำมาพิจารณาอยู่ว่าถ้าหาพวกเราลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็คงจะยังไม่รู้เรื่องสิน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 เพระนั้นหลวงพ่อเองไปณัตถานที่ใดหลวงพ่อจึงได้อธิบายเรื่องของศินให้กับคณะทัตาญาติโยมลูกกลานเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาอันดับแรกอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบางแห่งหลวงพ่อไปทัตทายาตโยมก็อาราธนาศินว่าม่ยังพันเตติสรเนสะปัญจศีลานิยาจามะอย่างวันนี้ะ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 ลูกหลานพระเนนพวกองหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนของหลวงปู่ล่าบวชจะเป็ดปี 2,500 นะคณะจัตตาญาติโยมโลูกหลานเป็นเนนกลึงพุท ธ, ธการเมื่ออายุได้11ปีย่างปี12บองหลวงพ่อกระบวตเป็นสมเณรอยู่ที่ภูเจากคณะจัดทาญายิดโยมที่นั่งอยู่ที่บางคนก็คงจะได้ไปกระภูเจากหลวงปู่ล่าหลวงพ่อเป็นเนนของหลวงปู่ล่า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 เอาหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาจำพรรษาด้วยปีปีศูนย์เก้าอ่าก็เลยจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วโยมมรรดาของท่านก็ได้จากไปไปเรียมรณะไปพอท่านโยมมรรดามรณะไปแล้วท่านก็เอ้ยจะขึ้นไปเชียงใหม่กลับท่านก็ไม่บอกใครอีกต่างหากนะขโมยมาก็ว่าได้แ่เพืพ่อพอ เสร็จแล้วเจ น, นี่เขาก็ถามท่านอคุูบาลลุงจะไปไหนอจะไปธุระวันไหนลุกคุูบาลลุงจะกลับมาถามทําไมยังไม่ได้ไปะเออไม่ใช่ธรรมดานะยังไม่ได้ไปจะถามมันกลับได้ยังไงฮะอลูกหลานก็เงียบกะกลัวท่านอีกเหมือนกันพอจากนั้นท่านก็ปะ่ะจำตุท่านว่าตุปะ่ะขึ้นเชียงใหม่ะอลุงพ่อก็เองก็เป็นตุ๊กําลัง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 ญาติโยมคุณโยมบู่ทองคนโยมเรียงพันคุณย่าผันท่านบอกว่าจะเอาตุ้ขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่แหวนได้อยู่เลยเพราะหลวงปูน่นู้นี่สวกแต่เตนเนอร์รอย่างนีเขาเขาส้วกแต่เตนเนอร์ไอ้แค่วหลวงปู่นู้นี่ดุจริงๆนะเงีนยนะ่ะแต่หลวงปู่จามท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโตเนี่ยเข้ากับใครก็ได้ไม่เป็นไร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 โรงแรม ล, ลงลุงนะ เ, เดี๋ยวครูบาจะไปเที่ยวสักหน่อยแล้วจะกลับลงมาหลงพ่อก็ขึ้นไปทางนั่นแถวปางเกืดนะแถวปางเกืดแถวนี่แหละไล่ชาแถวเนี่ยแถวเชียงดาวนะขึ้นไปหลายๆแห่งจากนั้นก็พี่น้องก็ขึ้นมาจากมุกดาหารตามเอีเลยพอหลวงปู่ปู่จามขโมยมาใช่ไหมเขาก็ตามมาอีกตามมาเขาก็เล่นนิมนต์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 ให้ลงอาลงไปคนเดียวก็ผมจะอยู่ทางนี้สักช่วระยะหนึ่งแล้วก็ผมจะตามลงไปครับผมไม่ได้ต้องไปด้วยกันคนลงพ่อก็เลยมุดท่าเลยแต่นี่พราะท่านให้ลงไปด้วยเออต็นแรกคือจะให้ท่านลงไปลุงพ่อก็จะหาภาวนาอยู่แถวเชียงใหม่ในสักช่วงระยะหนึ่งจึงจะลงไปคิดว่านะที่ไหนท่านไม่ยอมเลยลงไปจำมันสาอยู่ที่บ้านห้วยทรายทยี่ท่านจำมันสาเ น, นี่ยนะ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 นะโม ต, ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ต, ต, ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารา อ, อนัตตา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 ก็ไม่รู้ต้นปลายสายเหตุอันนี้พระพุทธเจ้าที่ตัดตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพโในวันนั้นท่านตัดสรู้อะไรตัดสรู้ทำสามอย่างปุเพในวาสานุสติญาณตูตูปปาตยานอาสาวยายาักขยยญาณอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็เมื่อได้ตัดสรู้ออตอนหัวค่ำ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 แต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าศึกษาในตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านสอนว่ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าแต่บริกรรมวอกพดท่านไปใช้สองอย่างนะทีนี้ใช้กรรมฐานสองอย่างรวมกันคือเวลาหายใจเข้าพดเวลาหายใจออกโถคือถ้าว่ามีพดโทเข้าไปสมทับเข้าไปด้วย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 มันอยากจะให้ตาเอาใส่ตาช่งางซะก่อนยังค่อยแบ่งกันฮะมันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ใ น, นพ่อแม่ก็แบ่งให้เอาเถอะข่าไปเอากับสู้เจ้ารอกถึงอย่างงั้นลูกทั้งสิบสี่คนสู้เจ้าต้องเลี้ยงข่าตร้องเลี้ยงดูแม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยแม่เลี้ยงทั้งสิบส่คนแม่ยังเลี้ยงได้ไอคนโบราณเขาคิดอย่างนั้นแต่ใ น, นทา้งก็มอบให้พอมอบให้หมดทุกคนเสมอกันอพออยู่พอไม่นาน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 ต่างคนก็ต่างปฏิเสธเห็นได้ชัดทางยายนีนก็ถ้าเป็นอย่างนี้บวช ด, ดีกว่าก็เลยไปหาพิกษุนีไปหาพิกษุนีไปหาเจ้าอาวาสพิกษุนีกเลยบิดดิฉันอยากมาขอปฏิติธรรมและอยากจะบวชบวชให้ฉันโดยเทิดนางพิกษุนีก็เลยเอามาเป็นมาฝึกพอมาฝึกเสร็จแล้วเขาก็เลยบวชให้บวชให้ก็ชื่อว่านาง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 เดินกับนั่งเท่านั้นจากนั้นนางกลางคืนน่ยนางก็เดินเดินจงกรมท่านท่านทํำยังไงเดินจงกมงรกมแต่บางคนก็เดินเป็นทางเดินจงกรมยาวแต่นางพิกษุณีท่านนี้เนี่ยควรจะศึกษาพวกเราควรจะศึกษานางเอามือเกาะต้นเสาเอามือขวาเนี่ยเกาะต้นเสาจากนั้นนางก็เดินเดินรอบต้นเสาเพราะกลางคืนมันมืดเนี่ย